เรื่องมงคลสถานสถานที่ทั้งหมดเป็นมงคลถ้าบุคคลทำตนให้เป็นมงคลมงคลสถานที่ขอเล่าเป็นนิยามคือไม่กำหนดแน่นอนตามที่ท่านพระอาจารย์บอกกำหนดดังนี้ติตะวันออกตั้งแต่มุกดาหารเข้ามา ทิศใต้ตีนภูเขาตั้งแต่มุกดาหารคำชะอีกุตสิมอำเภอเขาวงถึงอำเภอสหัสขันทิศตะวันตกตั้งแต่อำเภอสหัสขันถึงอำเภอสว่างแดนดินทิศเหนือตั้งแต่อำเภอสว่างแดนดินเส้นทางสายอุดรสกลจรดนาแกาธาตุพนม ภายในภูพานทั้งหมดเป็นมงคลสถานเหมาะแก่การเจริญสมณธรรมภาวนาจิตสงบดีสามารถบรรลุมรรคผลได้ท่านว่าเพราะเป็นมงคลสถานหมายเหตุผู้บันทึกเสียงหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องลึกลับ และสถานที่มงคล น, นั้นได้นำให้ฟังจากเสียงอ่านเรื่องปาฏิหารมีได้อย่างไรโดยอาจารย์พรรัตนสุวรรณซึ่งจะเป็นคำอธิบายเรื่องลี้ลับที่ทำให้เข้าใจได้ถูกต้องตรงทางและไม่ขัดแย้งกับหลักกรรมจะทำให้เข้าใจเรื่องพวกนี้ได้ดีขึ้นในแบบที่ไม่งม ง, ง, งายและเป็นเหตุเป็นผลถูกต้องตรงธรรมไม่ขัดแย้งกับหลักกรรมนะครับ